ในต่อไปอีกสูตรนึงนะครับชื่อว่าปัญญาสูตรว่าจริงอยู่พระสูตรนี้พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสแล้วพระสูตรนี้พระผู้มีพระภาคเจ้าผู้เป็นพระอรหันตรัสแล้วเพราะเหตุนั้นข้าพเจ้าได้สดับมาแล้วว่าดูก่อนพิสูจนทั้งหลายสัตว์ผู้เสื่อมจากอริยปัญญาอริยปัญญาเป็นชื่อของมรรคหรือวิปัสสนานะครับเชื่อว่าเสื่อมสุด นะเมื่อกี้เนี่ยผมกล่าวทั้งศีลสมาธิด้วยนะและปัญญาด้วยนะแต่เฉพาะสูตรนี้ผมบอกเน้นอริยปัญญาถ้าเสื่อมจากมัคคปัญญาหรือวิปัสนาชื่อว่าเสื่อมสุดเขาว่าสุดยอดของความเสื่อมม่า ง, งนะั้นนอะสัตว์เหล่านั้นย่อมอยู่เป็นทุกข์มีความเดือดร้อนมีความคับแค้นมีความเร่าร้อนในปัจจุบันทีเดียวเมื่อตายไปแล้วพึงหวังได้ทุกตินะถ้าเสื่อมจากอริยะปัญญานะดูก่อนพิสูจน์ทั้งหลาย สัตว์ทั้งหลายผู้ไม่เสื่อมจากอริยะปัญญาเชื่อว่าไม่เสื่อมสัตว์เหล่านั้นย่อมอยู่เป็นสุขไม่มีความเดือดร้อนไม่มีความขับแค้นไม่มีความเร่าร้อนในปัจจุบันเทียวแลเมื่อตายไปพึงหวังได้สุขคติเพราะฉะนั้นอริยะปัญญานี้สําคัญมากแต่อย่าลืมว่าอริยะปัญญานั้นจะต้องมีอะไรเป็นฐานก็มีจิตตศิขาและมีศีลศิขาศิขาสามทั้งหลายเหล่านี้ก็ต้องมีการ เรียนพระธรรมมาเป็นอย่างดีนะครับการศึกษาเรียนรู้พระธรรมม า, มาอย่างบริบูรณ์นะครับแต่ทีนี้ถ้าหากว่าการศึกษาการเรียนรู้พระธรรมนี่นะครับถ้าไม่อาศัยกาลยานามิตรแล้วจะได้อย่างไรนะครับแต่ทีนี้แม้กระทั่งกาลยานามิตรเนี่ยครับการเกี่ยวข้องกับกาลยานมิตรก็ต้องประพฤติให้ถูกธรรมนะครับประพฤติให้ถูกธรรมเหมือนเหมือนนพระวินัยนะครับมีสิก ข, ขาบทหนึ่งที่ตรัสถึงถ้าภิกษุผู้ประหูสูตรเป็นต้นผ่านมาใช่ไหมครับว่าจะต้องประพฤติยังไงกับ กับท่านเหล่านั้นนะถ้าไม่ประพฤติเนี่ยจะเป็นอาบัตอะไรบ้างนะครับอ่านะยกตัวอย่างในพระวินยัยเพราะว่าพระองค์นี้วางแม้กระทั่งพระวินัยเพื่อให้เกื้อกูลต่ อ, อสุตะเป็นต้นนะครับถ้าหากว่าไม่ประพฤติตามนั้นแล้วท่านท่านก็ไม่มีใจอนุเคราะห์เมื่อมีไม่มีใจอนุเคราะห์ต่อเราผู้ไม่มีปัญญานี่นะครับอะไรจะเกิดขึ้นเราก็เสื่อมจากการฟัง เมื่อเสื่อมจากการฟังเสื่อมจากการเรียนรู้เป็นตน้นก็จะเสื่อมจากคุณธรรมท่านสูงท่านสูงมันก็พาไปสู่ความเสื่อมอย่างอื่นๆที่นี่โดยมากผมคิดว่ามันเสื่อมจนไม่รู้ตัวนะครับเกิดมายากจนเลยไม่รู้ว่าตัวเองควรจะมีทรัพย์อะไรบ้าง <c oughs> เกิดมาเหมือนกับว่าแล้วลูกเศรษฐีตกยากกันนะครับ จริงแล้วสมบัติพ่อเนี่ยเยอะแยะไปหมดแต่เอามาใช้ไม่ได้ก็เนึกว่าเกิดมาเป็นคนจนแบบนี้มาตลอดนะครับยินดีในความทุกข์ความยากความยากความจนอันนั้นเสียแล้วเพราะวินิจฉัยไม่ออกเลยว่าอะไรเป็นทรัพย์และไม่ใช่ทรัพย์ซึ่งพระองค์ตรัสว่าสุตะก็เป็นทรัพย์ที่สุตะเป็นต้นเนี่ยนะครับเป็นเหตุแห่งคุณธรรมมีศีขาอย่างอื่นๆเป็นต้นโดยเฉพาะอาธิศีลสิกขาอาธิจิตติกขาแล้วก็อธิปัญญาศีขาอย่างที่พระองค์ตรัสว่า สัตผู้เสื่อมจากอริยปัญญาก็ชื่อว่าเสื่อมสุดนะครับสุดยอดของความเสื่อมนะเสื่อมสุดก็คือมันเสื่อมหมดแล้วว่างั้นเถอะสัตเหล่านั้นก็ย่อมอยู่เป็นทุกข์นะครับเพราะว่าไม่มีวิปัสสนาปัญญาแสดงว่าไม่มีกรรมสกตาปัญญาไม่รู้ดีรู้ชั่วรู้บุญรู้บาปรู้เหตุรู้ผลรู้ว่าอะไรเป็นไปเพื่อประโยชน์ไม่เป็นไปเพื่อประโยชน์เป็นต้นถ้าหากว่าไม่ตื่นภัยทั้งหลายเหล่านี้ก็ทุกคติก็หวังได้แล้วนะครับแล้ว พระผู้มีพระภาคเจ้าได้ตรัสเนื้อความนี้แล้วในพระสูตรนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสคาถาประพันธ์ดังนี้ว่าจงดูโลกพร้อมด้วยเทวโลกผู้ตั้งมั่นนะตั้งมั่นนะคำว่าตั้งมั่นนี้เป็นชื่อของตันหาและทิฐิ น, นะครับเป็นผู้ตั้งมั่นลงแล้วในนามรูปเพราะความเสื่อมจากปัญญานะโลกพร้อมทั้งเทวโลกในลักษณะเป็นอย่างนี้นะครับโลกพร้อมด้วยเทวโลกย่อมสําคัญว่านามรูปนี้เป็นของจริงจริงในที่นี้คือเป็นสาระนะ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 อันนี้ก็กล่าวถึงว่าโอ้โเทวดาหรือมนุษย์ทั้งหลายก็จะรักใคร่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าใช่หขณะเรานี้ก็ยังรักใคร่เลยนะองค์ับขันปริณีภานก็ยังนึกถึงเลยนะมันกราบมันตามระลึกนึกถึงพระองค์ผู้มีสติมีปัญญาเราใช้คาว่าปัญญานี่ยนะญาณทั้งหลายของพระองค์ก็มาทั้งหมดนะครับถ้ามีสติ ถ้าถ้ามีสตินะก็แสดงว่าคุณธรรมมีศีลเป็นต้นของพระ อ, องค์ก็มาทั้งหมดนะครับผู้ทรงไว้ซึ่งสรีระอันมีในที่สุดนะถ้าพูดถึงสมัยนั้นนะผู้ใดก็ยินดีต่อพระสัมมาสามัมพุทธเจ้าก็ไปเที่ยวถามหาพระ อ, องค์อยู่ที่ไหนพระ อ, องค์อยู่ที่ไหนเป็นต้นนะครับนะเพราะว่ายินดีต่อพระ อ, องค์เพราะว่าพระ อ, องค์นี้สามารถช่วยเหลือเกื้อกูลสัตว์เหล่านั้นให้ได้อริยะปัญญาเมื่อสัตว์เหล่านั้นได้อริยปัญญาก็ทําให้พ้นจากวัตทุกข์ได้นะครับ ถ้าพูดสำนูนหนึ่งนะครับพูดถึงผมนึกถึงพระบางรูปเนี่ยนะที่ให้ประโยชน์แก่โยมได้ในปัจจุบันเช่นว่าให้หวยเป็นต้นเนี่ยนะโอ้ยโยมนี่เข้าไปหาจริงๆเลยนะครับไปจนแทบจะเรียกว่าสำนูนาอดหลับอดตารับขับตานอนเลยนะเขาเสาะหาสะแสวงหานะครับหาจริงๆท่างจะอยู่ไกลขนาดไหนก็อตอนตอนไปหาท่านเพราะอะไรครับเพราะเห็นว่าท่านสา ม, มารถให้ประโยชน์ในโลกนี้ได้ แม้กระทั่งพวกผู้หลักผู้ใหญ่ผู้นำทั้งหลายแหลที่สามารถให้ประโยชน์แก่คนอื่นได้นะครับคนเนี่ยเข้าไปอุปทาเข้าไปรับใช้เขาเออคนเนี่ยจะให้ประโยชน์แก่เขาไ ด, ด้ให้ยศให้ตำแหนง่งให้หน้าที่ให้การงานให้ทรัพย์สินให้เงินให้ทองทั้งหลายเนี่ยนะเขาทายได้นะเขาจะเข้าไปหาหมดเลยะนะชั้นใดก็ดีพระสัมมาสัมพุทธเจ้าให้ประโยชน์เหล่านี้แก่สัตว์ได้จริงๆพระองค์ให้ประโยชน์ในโลกนี้ชิ ด, ดูนะถ้าพระองค์ออกพระนางเมริกาได้เป็นราชินีก็เพราะ สาบาทในพระพ อ, องค์นะครับเป็นต้นหรือว่าคนอื่นๆที่ได้ประสบความสําเร็จเนี่ยนะปุถุชนทั้งหลายถึงความเป็นอริยะเนื่องจากอาศัยพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะฉะนั้นทั้งเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายก็มีใจรักต่อพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะพระองค์เนี่ยสามารถให้ประโยชน์สุขแก่เขาได้จริงๆนะ มันแต่ว่าพระองค์ก็ทรงไว้ซึ่งสรีระอันมีในที่สุดแล้วเพราะฉะนั้นไปตามหารูปของพระองค์ก็ไม่มีแล้วหาเวทนาหาสัญญาหาสังขารหาวิญญาณก็ไม่พบแล้วเพียงแต่ไจะได้ทราบว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นได้เคยเกิดขึ้นแล้วในโลกนี้นะครับ พอหมดาศาสนานี้สัตว์ทั้งหลายก็จะลืมไปก็จะรอพร ะ, พระเมตตายะเป็นต้นนะครับพระพุทธเจ้าองค์ต่อไปพระพุทธเจ้าองค์ต่อไปอีกก็จะมาเปิดเผยจะมาเล่าให้ฟังว่าในอดีตนะเคยมีพระผู้มีพระภาคทรงพระนามว่าโคตมะบัมเพ็ญบารมีมาสีอสมไขยแสนกับเคยแสดงธรรมแล้วมีผู้ใดบรรลุบ้างมีผู้ใดตรัสรู้ประพฤติปฏิบัติ น, นะแล้วก็ผู้ที่สะสมบุญบารมีในาศาสนาของพระโคดมทําให้ไปบรรลุมักผลในพระ แตะเจ้าองค์ ต, ต, ต่อไปเป็นต้นนะครับก็จะอ่านพบในทีรคถาเทรีค ถ, า, ถ, า, ถ, า, ถาในาศาสนาของพระผู้มีพระภาคองค์ต่ อ, ตอไป ต, อต่อไปอีกนะครับบทว่าสุ ป, ปริหีนานะครับเสื่อมสุดเลยนะครับเมื่อกี้ว่าเสื่อมสุดเนี่ยนะว่าเสื่อมรอบเลยนะไม่มีเหลือเลยเพราะงัน้นแต่ถ้าเสื่อมจากอริยปัญญานะบทว่าเย อ, อริยยปัญญะปริหีนาความว่า สัตว์เหล่าใดเสื่อมจากวิปัสนาปัญญาและมัคคปัญญาอันเป็นอริยะคือบริสุทธ์ตั้งอยู่ไกลจากกิเลสทั้งหลายด้วยการรู้ความเกิดและความเสื่อมของขันห้าและด้วยการแทงตลอดอริยสัตว์สี่สัตว์เหล่านั้นเสื่อมคือเสื่อมมากเหลือเกินจากสมบัติอันเป็นโลกุิกิยะและโลกุตตระนะครับนนะ่เสื่อมจริงๆเลยมางั้นเถอะ ชั้นต้นนะครับแยกว่าวิปัสนาเนี่ยนะครับตรงนี้เนี่ยยกที่เรียกว่ารู้ความเกิดและความเสื่อมของขันห้าบาลีใช้คำไงครับอนนอุทยพยะนะครับอุทยัพยะนั่นเองนะครับอุทยะนี้ขันห้าจะเกิดเกิดโดยอาการยี่้านะครับ ขันห้าจะเสื่อมเสื่อมโดยอาการ25ถามว่าเนี่ยนะครับว่ารู้ความเกิดและความเสื่อมของขันห้าเนี่ยนะครับหมายความว่ารู้ความเกิดโดยอาการ25รู้ความเสื่อมโดยอาการ25เท่ากับรู้ความเกิดและความเสื่อมโดยอาการ50มันเป็นยังไงนะครับนี่ให้คำเฉลยไปตั้งเยอะๆนะครับ น, น, น, นะอ๋อนะรูปประคันจะเกิดเกิดโดยอาการ5รูปประคันจะเสื่อมเสื่อมโดยอาการ5 นะครับเพราะฉะนั้นความเกิดและความเสื่อมของรูปปั้นโดยอาการ10เวทนาขันก็เหมือนกันสัญญาสังขารวิญญาณาขันก็โดยในยะเดียวกันเพราะฉะนั้นขันห้าจะเกิดเกิดโดยอาการ25จะเสื่อมเสื่อมโดยอาการ25รู้ความเกิดและความเสื่อมโดยอาการ50นะครับเคยกล่าวบ่อยนะครับแต่ว่าวันนี้มาขับเน้นว่าเสื่อมไหมไอ้รองแยกแยะทีละเปราะเลยครับแก่แก่เชือกหน่อยมัดนั่นเดืนัน บอกว่าว่าร well. well really ูปจะเกิดเพราะอวิชาเกิดรูปจึงเกิด 1. นะเพราะตันหาเกิดรูปจึงเกิดเพราะกรรมเกิดรูปจึงเกิดเพราะอาหารเกิดรูปจึงเกิดและนิพพัติลักษณะของรูปก็ชื่อว่าความเกิดของรูปนะครับเพราะฉะนั้นจะเกิดโดยอาการห้านี้รูปประคันจะเกิดเกิดโดยอาการห้านี้นะครับหอวิชาเพราะอวิชาเกิดรูปจึงเกิดสองเพราะตันหาเกิดรูปจึงเกิดส เพราะการรมเกิดรูปจึงเกิดสเพราะ อ, อาหารเกิดรูปจึงเกิดห้านิพพติลักษณะนิพพ ต, ติลักษณะคือลักษณะที่เกิดขึ้นของรูปประคันนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นรูปประคันจะเกิดเกิดโดยโอาการ5นี้นะครับนนะถามว่ารูปประคันจะเสื่อมก็เสื่อมโดยโอาการห้านะครับเสื่อมนี่ยนะครับวะยะเนี่ยเสื่อมเนี่ยนะเสื่อมโดยโอาการ5หเป็นฉน เพราะอวิชชาดับรูปก็ดับเพราะตัณหาดับรูปก็ดับเพราะกรรมดับรูปก็ดับเพราะอาหารดับรูปก็ดับนะครับเพราะวิปริณัมลักษณะของรูปปัจจันท์ก็ชื่อว่าความดับแห่งรูปนะครับเพราะฉะนั้นความเสื่อมแห่งรูปปัจจันท์ก็จะเสื่อมโดยอาการ5นี้อันรูปปัจจันท์จะเกิดเกิดโดยอาการ5จะเสื่อมเสื่อมโดยอาการ5นะครับนี่แหละครับถ้ามีปัญญาอันนี้ก็ยังไม่เสื่อมจากอริยะปัญญานะครับ ถ้าหากว่านึกไม่ค่อยออกนี่ก็ออยไม่ต้องกล่าวถึงการปฏิบัตินะครับเขาบอกว่าถ้าหากว่าเห็นความเกิดโดยอาการห้าละกิเลสอะไรถ้าเห็นความเสื่อมโดยอาการห้าละกิเลสอะไรได้บ้างครับถ้าเห็นความเกิดโดยอาการหละอุดเฉททิธิถ้าเห็นความเสื่อมโดยอาการห้าละสตทิธินะครับถ้าหากว่าเห็นความเกิดเรียกว่ารู้ปัจจัย เห็นความเสือ่อมเท่ากับเข้ากับเห็นปัจจุบันนะครับเห็น mm hmm. ความเกิดเนี่ยนะครับเท่ากับเห็นอนตัตตลักษณะเห็เนความเสื่อมอนโดยปัจจัยนี่ชื่อว่าเห็นอนตัานานาตตลักษณะถ้าโดยขณะก็โดยเรยียกว่าโดยอนิจจลักษณะและทุกคลักษณะเป็นต้นนะครับ mm hmm. ถ้ารู้ว่าโดยปัจจัยเรียกว่ารู้สมุทัยศัตว์นะครับโดยสภาวะนั้นเรียกว่ารู้ทุกขสัตว์นะครับ เป็นเบื้องต้นของวิปัสสนูปกิรณ์ที่จะเกิดก็ต้องพิจารณาเห็นเหตุเกิดและความดับโดยอาการ50อย่างที่กล่าวไปนะครับเพราะฉะนั้นอยู่ในชั้นไหนครับอุทยพยัญาณนะครับอยู่ในระดับอุทยพยญาณซึ่งเป็นบุพภาคของปฐหนปริญญานะครับแต่ก็ยังอยู่ในชั้นของตีรณปริญญาอยู่นะครับเป็นเรื่องของการใคร่ครวญเป็นการพิจารณาเป็นการวินิจฉัยเป็นการวิจัยนะครับแล้วก็ในคาถาธรรมบทก็มีนะ ในคาถาธรรมบทในเรื่องของลูกศิษย์ของพระโสนะพระโสนะกุติกันนะนะครับที่ที่โจร น, นะที่โจรกลุ่มหนึ่งมาออกบวชแล้วพระองค์ก็ตรัสถึงเรื่องเหตุเกิดและความดับมีอยู่หนึ่งคาถานะครับถ้าพิจารณาเหตุเกิดและความดับเหล่านี้ก็จะเกิดปีติและปรามโมท น, นะปีติปรามโมทนั้นนะเป็นอมาตะของผู้รู้แจ้งอยู่นะครับ น, นะแล้วก็คาถานี้ก็ อรรถาภรณ์ น, นิยมเอาไปขยายในห ล, ลายๆคัมภีร์นะครับเกือบทุกคัมภีร์จะต้องมีคํานี้ไปขยายนะครับอันข้อความนี้นี่นะครับภาษาดิบุตรขยายไว้อย่างพิสดารในปฏิสัมพิธมรรคและในวิสุทธิมรรคนะครับในคัมภีร์อื่นๆก็จะกล่าวไว้โดยพอส ง, ส, งสังเขปพอสมควรนะครับเรื่องนี้ก็ต้องควรเอามาพิจารณาถ้าไม่เอามาพิจารณาก็นี่แหละครับเยอริยาญาปัญญาญาปะเรหีนานะครับเสื่อมรอบเสื่อมรอบนะครับ ทนีนี้เรื่อว่าปัญญาที่รู้เหตุเกิดและความดับทีนี้ต่อไปนะครับถึงปัญญาในการแทงตลอดอริยสัจสี่เรียกว่ามัคคปัญญานะพอบอกว่าอริยปัญญาหมายถึงวิปัสนาปัญญาและมัคคปัญญาวิปัสนาปัญญานั้นพิจารณาเหตุเกิดและความดับที่ว่าไปแล้วส่วนมัคคปัญญาก็คือแทงตลอดอริยสัจสี่เหล่านั้นถ้าหากว่าเสื่อมจากปัญญาเหล่านั้นนะครับ คือเสื่อมมากหรือเกินเสื่อมจากสมบัติอันเป็นโลกิยะและโลกุตระถ้าไม่มีปัญญาเหล่านี้นะเสื่อมจริงๆวางงั้นเถอะเสื่อมแล้วล่ะเสื่อมจนไม่รู้ว่าเสื่อมอย่างที่ว่าเนี่ยนะครับเกิดมาเป็นลูกของพระเจ้าจักรพรรดินะครับไปไปมามายังจะพออะไรนะนะครับเสื่อมเนี่ยเอาทำไมย้ำไม่ได้นะครับนะพอไปที่ไหนก็เหลือแต่อะไรนะเดินเอียดเยียดเดินชันเชื่อพระวงห์นะวางั้นนะสมบัติไม่มีสักอย่าง ถามว่าก็สัตว์เหล่านั้นอ่ะเป็นจําพวกอะไรนะยงย้ำมาอีกนะครับว่าเป็นจําพวกอะไรล่ะตอบว่าเป็นความจริงดังนั้นสัตว์เหล่าใดประกอบด้วยเครื่องกัน้นคือกรรมสัตว์เหล่านั้นเสื่อมคือพร่องคือเสื่อมมากโดยส่วนเดียวโดยความเป็นผู้แน่นอนต่อความผิดนะครับมิชตะนะดังที่ท่านกล่าวว่าทุกขติปาติกังขาทุกขติอันหวังได้ถ้าเสื่อมจากคุณธรรมเหล่านี้ก็หมาอบายนี่ก็ม หวังได้จริงๆอะนะทุคติปาติกังขานะครับแม้พร้อมเพรียงด้วยเครื่องกั้นคือวิบากก็เสื่อมอีกอย่างหนึ่งพึงทราบธรรมะฝ่ายขาวผู้เป็นสัมมาทิฏฐิเว้นจากเครื่องกั้นสามอย่างเป็นผู้ประกอบด้วยกรร ม, มสกตาญาณชื่อว่าไม่เสื่อมนะครับถ้าหากว่ามีตั้งแต่กรร ม, มสกตาเป็นต้นก็ชื่อว่าไม่เสื่อมแล้วนะครับถามว่าเกี่ยวกับเหตุเกิดและความดับมันเกี่ยวข้องกับกรร ม, มสกตาไหมก็ยังเกี่ยวข้องอยู่ดีนั่นแหะครับ เพราะว่ารูปประคันเป็นต้นจะเกิดก็เพราะกรรมเกิดน น, นะนนนะเพราะรูปประคันที่มีอยู่เนี่ยเพราะกรรมมีนะรูปประคันเหล่านี้จึงมีนะครับถ้ากรรมสิ้นรูปเหล่านี้ก็เสื่อมไปนะครับแต่ว่าจะไม่ก่อให้เกิดรูปอันใหม่เลยก็กรรมเหล่านั้นจะต้องดับด้วยอรหัตตมัชนะครับจึงจะหมดสิ้นกันทีนะครับในคาถาทั้งหลายในคาถาคาถาอธิบายพุทธพจน์ที่ว่าจงดูโลกพร้อมด้วยเทวโลกคู่ตั้งมั่น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 อันมีในที่สุดนะครับมันอธิบายว่าปัญญายะนะครับเป็นวิพัต์ปัญจะมีวิพัฒความว่าเพราะความเสื่อมไปจากวิปัสนาญาณและมัคคายนหรือปัญญายะนี้เป็นฉาบทีวิพัฒ์ความว่าเสื่อมไปเพราะความเสื่อมไปแห่งญาณนะ ค, คือวิปัสนาญาณและมัคคายนอันหนึง่งการไม่ให้เกิดขึ้นแห่งญาณที่ควรให้เกิดนั่นแหลเป็นความเสื่อมในบทนี้ คือเสื่อมคือไม่สามารถจะให้วิปัสสนาเหล่านี้เกิดได้ไม่สามารถที่จะให้อาริยมรรคทั้งหลายเหล่านี้เกิดได้บทว่านิวิถังนามรูปสมิงได้แก่ผู้ตั้งมั่นแล้วคื อ, อยังลงแล้วในนามรูปคือในอุปาทานขันห้าด้วยอำนาจตันหาและทิฏฐิโดยนายเมียที่ว่าเอตังมะมะนั่นของเรานะครับเราเป็นนั่นนั่นเป็นอัตตาของเรานะครับเพราะเสื่อมไปจากปัญญานั้น คือเสื่อมปัญญาที่จะเห็นเหตุเกิดและความดับของขันห้าตามความเป็นจริงกลับสําคัญว่านั่นเป็นเรานั่นของเรานั่นอัตตาของเรานะครับเพราะเสื่อมจากปัญญาใช่ไหมก็ยัยงลงด้วยอำนาจตันหาและทิฏฐิในขันห้าแทนบทว่าอีทางสัจจันติมัญญติได้แก่ย่อมสําคัญว่านามรูปนี้เท่านั้นเป็นของจริงอย่างอื่นเป็นโมคะอ้ดีที่สุดมันก็เท่านี้แหละห ว, วังกันนะนะก็จะยินดีอยู่เท่านี้แหละนะครับ พระผู้มีพระภาคเจ้าครั้นทรงแสดงธรรมะฝ่ายเศร้ามองในคาถาที่หนึ่งอย่างนี้แล้วบัดนี้เมื่อจะทรงประกาศอนุภาพแห่งปัญญาว่ากิเลสวัดย่อมเป็นไปด้วยความมั่นหมายและความยึดมั่นในนามรูปเพื่อไม่ให้เกิดอันใดาการเข้าไปตัดวัะเพื่อให้เกิดอันนั้นจึงตรัสว่าปัญญาหิเศธโลกส밍ปัญญาแลประเสริฐที่สุดในโลกนะครับเพราะว่าอะไรครับ เพราะว่าปัญญาเนี่ยนะสามารถทําให้ชํำระ ก, กิเลสได้ทําให้ไม่มีความยึดมั่นไม่ให้มีความมั่นหมายในขันทั้ง5้าเหล่านั้นในบทเหล่านั้นบทว่าโลกาสิงได้แก่สังขารโลกนะปัญญาหฮเซธาโลกาสิงปัญญาประเสริฐที่สุดในสังขารโลกนะครับไล่ไปเะครับในบรรดารูปนามทั้งหมดเนี่ยนะครับปัญญาประเสริฐที่หมดนะสีเสียงกลิ่นรสโพธะ ทั้งหลายนะครับตาหูจมูกลิ้นกายใจหรือว่าภาษาเวทนาสัญญาเจตนาเป็นต้นในบรรดาสังขารโลกหรือว่าสังขารทั้งหลายเหล่านั้นนะครับปัญญาประเสริฐที่สุดนะครับในบรรดาทุกอย่างนะในบรรดารูปนามขันห้าเนี่ยปัญญาประเสริฐที่สุดนะครับธรรมะเช่นกับปัญญาในสังขารทั้งหลายในสัตว์ทั้งหลายย่อมไม่มีดุจพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจริงอยู่ กุศลธรรมทั้งหลายมีปัญญาเป็นอย่างยิ่งและธรรมะอันไม่มีโทษทั้งปวงเป็นอันสำเร็จเพราะความสำเร็จแห่งปัญญานะครับปัญญานะถ้าปัญญาเกิดอย่างเดียวเนี่ยนะจะทำให้ธรรมะอย่างอื่นเกิดตามมาด้วยสมดังที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ว่าสัมมาทิฏฐะสัมมาสังกัปโปหิตความดาริชอบย่อมมีแก่ผู้ที่เห็นชอบวาจาชอบย่อมมีแก่ผู้ที่ดาริชอบ การงานชอบย่อมมีแก่ผู้ที่มีวาจาชอบนะอาชีพชอบย่อมมีแก่ผู้ที่มีการงานชอบนะครับความเพียรชอบย่อมมีแก่ผู้ที่มีอาชีพชอบครับสติชอบนี่นะสัมมาสตินี่นะมีแก่ผู้ที่มีความเพียรชอบนะจิตตั้งมั่นชอบหรือสมาธิย่อมมีแก่ผู้ที่มีสติระลึกชอบนะครับนัเพราะฉะนั้นสัมมาทิฏฐิหรือปัญญาเนี่ยนะครับเป็นหัวหน้าแห่งกุศลธรรมทั้งหมดเลยนะครับ เพราะฉะนั้นถ้าหากว่าผู้ใดเสื่อมจากปัญญาชั้นต้นแล้วนะเพราะฉะนนั้สังกัปปะวาจากรรมมันตะเป็นต้นเสื่อมหมดแล้วครับเพราะปัญญาซึ่งเป็นเหมือนกับประธานหมดแล้วนะเหมือนกับรถที่ไฟดับนะครับขับรถกลางคืนนะถ้าไม่มีไฟสัอย่างเดียวนะครับท้ายขบวนเนี่ยนะรถไฟเนี่ยถ้าไม่มีไฟสองทางสัอย่างเดียวนี่นะครับมันจะไปยังไงล่ะครับเห็นไหม ในในศิกขาเนี่ยครับแสดงเรื่องศีลกับนศีลสมาธิปัญญาเอเตพอในอริยมรรคเนี่ยทรงแสดงเรื่องของปัญญาก่อนคือสัมมาทิฏฐิก่อนตรงนี้นี่ยังไงเพราะว่าเบื้องต้นของพรหมจรรย์ต้องไม่ลืมนะครับศีลที่บริสุทธิ์กับทิฏฐิที่ตรงนะครับเป็นเบื้องต้นของพรหมจรรย์นะครับเพราะว่าแม้แต่ลำดับของการปฏิบัติลำดับของการปฏิบัติต้องเป็นศีลสมาธิและปัญญา คำว่าศีลสมาธิปัญญานั้นนะครับโดยเฉพาะวิปัสนาปัญญามรรคปัญญาก็ต้องอาศัยศีลและจิตแต่ถ้าไม่มีปัญญาก่อนหน้านี้มาศีลจะรักษาไม่ได้นะครับอธิจิตตสิกขาจะเจริญไม่ได้แต่ว่าปัญญาก่อนหน้านั้นเป็นสุตะมายะปัญญาเป็นต้นนะครับเป็นสุตะมายะปัญญานะคือคือปัญญาที่ขึ้นต้นเนี่ยนะครับสมาธิถีในชั้นแรกๆเนี่ยก็คื อ, อ เป็นลักษณะของสุตมยะปัญญาถ้าเป็นของพระโพธิสัตว์ก็เป็นจินตามยะปัญญานะครับปัญญาระดับมรรคหรือวิปัสนาปัญญานะครับแต่ทีนี้วิปัสนาปัญญาเป็นต้นก็ต้องอาศัยสุตมยะปัญญาเพราะฉะนั้นตามอริยมรรคก็ต้องขึ้นโดยสุตมยะปัญญาเป็นต้นนั่นแหละก่อนนะครับแต่ว่าในขณะบริบูรณ์จริงๆเนี่ยนะครับศิกขาสามประชุมกันนะ นะครับในขณะโล ก, กุตระนี้สิกขาสาทั้งอธิศีลสิกขาที่จิตตสิกขาและอธิปัญญาสิกขานั้นประชุมพร้อมกันนะครับเพราะนั้นถ้าหากว่าผู้ที่ปฏิบัติธรรมถ้าขาดความรู้ความเข้าใจก็ยากที่จะปฏิบัติถูกนะครับเพราะฉะนั้นปฏิสามพิธามมรคเนี่ยนะครับคำพีนี้อธิบายให้เห็นความชัดเจนเลยว่าในบรรดา คำพีปฏิสามทิธามักนี้มีอยู่30ิบเรื่องนะครับมีสามวักวักละสิบเรื่องมีอยู่30สิบเรื่องใน30สิบเรื่องนี้แบ่งออกเป็นมหาวักจุลวักเป็นต้นนะครับแล้วในมหาวัคขึ้นต้นด้วยยานักถานะครับยาณกถาคือยาณกถาเนี่ยสำคัญกว่า30ิเรื่องทั้งหมดนะครับเพราะญานเนี่ยเป็นเรื่องแรกเลยนะเพราะว่าสัมมาทิฏฐิเป็นต้นเนี่ยเป็นประธานเพราะฉปัญญานี่สําคัญที่สุดเลยแล้วยังอธิบายต่อไปว่า ในบรรดาญาณทั้งหลายนะครับสู่ตาไมยะญาณสําคัญที่สุดนะครับในเบื้องต้นเนี่ยนะญาณที่เกิดจากการฟังเนี่ยเพราะอะไรครับเพราะพระพุทธเจ้าเกิดขึ้นมาในโลกเพื่อจะแสดงแสดงธรรมนะครับเพราะฉะนั้นสู่ตาไมยะญาณจึงเป็นเบื้องต้นที่สําคัญมากแม้แต่โสตาปฏิยังค่าธรรมก็ขึ้นต้นจากการฟังนะครับสัทธรรมมาสวันะนะครับการฟังโสตาปฏิยังค่าธรรมนะครับก็ต้องอาศัยการฟังนะครับ นะเช่นครบสัตว์บุรุษการฟังธรรมของสัตว์บูรุษโยนิสโสมนัสิการปฏิบัติธรรมสมควรแกร่ทำเพราะฉะนั้นการฟังเนี่ยนะครับปัญญาที่อาศัยเกิดจากการฟังทำให้มีกรรมสกตาสัมมาทิฐิให้รู้ดีรู้ชั่วรู้บุญ ร, รู้บา ร, รู้ทำดำทำขาวเป็นต้นเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นสัมมาทิฐิเนี่จึงเป็นเบื้องต้นแต่อย่าลืมนะครับถ้าหากว่าเราพิจารณาในมัสมีองแปดนะอ่าถามว่าปัญญามีอะไรเป็นเหตุใกล้คิดนะครับ ปัญญามีอะไรเป็นเหตุใกล้ญญค่ะปัญญานี้เป็นมรรคข้อที่1นึ่งนะครับสมาธิเป็นมรรคข้อที่8แสดงว่าเอาข้อ1ไปต่อจากข้อ8ปนั้นต้องเขียน 1- นถึงแเป็นวงกลมออนะครับจึงจะถูกต้องนะครับหลังจะอ บ, บรมกันอย่างนี้รอบจนรอบจนกว่าจะบริบูรณ์เพราะฉะนั้นศีล ส, สมาธิและปัญญานี้อ บ, บรมซึ่งกันและกันเกื้อกูลซึ่งกันและกันนะครับใหม่ๆรักษาศีลเพื่อให้เจริญสมถวิปัสสนาได้ ทีนี้พอสมถาวิปัสนาเกิดขึ้นจะรักษาศีลเองนะครับนะสมถาวิปัสนาจะตามรักษาศีลเอาไว้เพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้อ บ, บรมเกื้อกูลส่งเสริมซึ่งกันและกันนะครับจนกว่าจะบริบูรณ์นะครับจนกว่าจะบริบูรณ์ก็ปัญญาที่ประสงค์เอาในที่นี้ท่านยกย่องว่าประเสริฐที่สุดนะครับ เพื่อแสดงถึงความเป็นไปนั้นจึงตรัสว่ายายังนิเพทะคามินิยาปัญญาอันให้ถึงความชั่แรกกิเลสดังนี้เป็นต้นอธิบายความแห่งบทนั้นว่าปัญญาใดาอันให้ถึงความชั่แรกกิเลสว่าปัญญานี้ถึงความชั่แรกกิเลสคือทําลายกิเลสมีกองโลภ้าเป็นต้นอันยังไม่เคยชั่แรกยังไม่เคยทําลายย่อมไปย่อมเป็นไปพระโยคาวจรย่อมรู้ย่อมทําให้แจ้งซึ่งนิพพาน และอรหัตอันเป็นที่เสื่อมไปเป็นที่สุดแห่งชาติกล่าวคือความเกิดครั้งแรกแห่งขันทั้งหลายในหมูสัตว์ในภพกําเนิดคติวิญญาณทิติและสัตววานนั้นๆและกรรมภพอันมีชาตินั้นเป็นนิมิตโดยชอบไม่วิปริตด้วยปัญญาใดปัญญานี้เป็นมัคคปัญญาพร้อมด้วยวิปัสนาประเสริฐที่สุดในโลกนะครับมัคคปัญญาวิปัสนาปัญญาเนี่ยประเสริฐที่สุดในโลกนะครับ เพราะถ้ากล่าวอย่างนี้ก็ต้องอต้องศึกษาญาณ น, นากธารในปฏิสัมพิธามัชนะครับให้เห็นความสัมพันธ์ของการเรียบเรียงปัญญาทั้งหลายแหละนะครับว่าปัญญานี้มีความรู้มีความสัมพันธ์กันอย่างไรแล้วก็ปัญญาทั้งหมดที่กล่าวนี้เป็นลักษณะของสัมมาทิฏฐิทั้งที่เป็นโลกิยะและโลกุตระนะครับเพราะฉะนนั้ถ้าหากว่าสัมมาทิฏฐิเหมือนกับไฟสองทางเนี่ยนะครับถ้าไฟอันนี้ดับเสร็แล้ว สังกับปะวาจากรร ม, มันตะอาชีวะเป็นต้นก็ยากนะครับแม้ศีลที่รักษาก็ยังไม่รู้ว่ารักษาไปทำอะไรเลยจุดหมายปลายทางเป็นต้นก็ไม่เข้าใจทิศทางเพราะไม่มีปัญญาเป็นประธานเป็นผู้นำในการเจริญกุศลธรรมเหล่านั้นๆนะครับ บัดนี้พระผู้มีพระภาคเจ้าเมื่อจะทรงยกย่องพระขีณาส พ, พู้ถึงพร้อมด้วยบุญญาณุภาพตามที่กล่าวแล้วจึงตรัสพระคถ า, าสุดท้ายว่าเตสังเทวามนุษยาจะเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายย่อมรักใคร่ต่อพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นหรือว่าย่อมรักใคร่ต่อพระขีณาสพนั้นนะครับว่าอธิบายความแห่งบทนั้นว่าเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายย่อมกระยิมรักใคร่ต่อพระขีณาสพเหล่านั้น ผู้ชื่อว่าสัมมาสัมพุทธะนะชื่อว่าสัมพุทธะด้วยการตรัสรู้อริยสัจสี่เพราะสำเร็จโซลสกิจมีปัญญาเป็นต้นในอริยสัจสี่นะครับคือทำกิจสิบหในอริยสัจจบเรียบร้อยแล้วด้วยปัญญาเป็นต้นนะครับชื่อว่าผู้มีสติเพราะมีสติภัยบู์ชื่อว่ามีปัญญาร่าเริงด้วยความภัยบู์แห่งปัญญาเพราะถอนความลุ่มหลงเสียได้ โดยนิยะดังกล่าวแล้วหรือชื่อว่าผู้มีปัญญาร่าเริงเพราะความโสมนัสความยินดีความบันเทิงตั้งแต่เป็นผู้บริบูรณ์ด้วยศีลเป็นต้นในสวนเบื้องต้นจนถึงธรรมนิพพานให้แจ้งบอกคนที่มีปัญญาร่าเริงนี่นะครับถ้าศีลบริสุทธิ์แล้วยังไงก็ต้องร่าเริงเพราะว่าศีล น, นี่ยงนยอมนำมาซึ่งอวิปปิสารอาวิปปิสารย่อมนำมาซึ่ง ปราโมทปราโมทย่อมนำมาซึ่งปีติปีติย่อมนำมาซึ่งปัสสัต t h เป็นต้นเนี่นะครับเพราะฉะนั้นเขาจึงร่าเริงตั้งแต่เมื่อทําศีลให้บริบูรณ์แล้วเมื่อเจริญสมถะและวิปัสนนาเป็นต้นก็ยิ่งร่าเริงร่าเริงจนถึงทำพระนิพพานให้แจ้งนะครับไม่ใช่ซึมไปเรื่อยนะครับไม่ใช่นะครับชื่อว่าผู้ทรงไว้ซึ่งสรีระอันมีในที่สุดเพราะเป็นผู้สิ้นภาวะสังโยตโดยประการทั้งปวงเครื่องผูกคือภพนะครับ เครื่องประกอบคือพบเนี่ยหมดสิ้นแล้วย่อมปรารถนาเพื่อบรลุความเป็นอย่างนั้นบ้างว่าบุญญาณุภาพอันน่าอัศจรรย์ท่ากระไรแม้เราก็ควรเป็นผู้ข้ามพ้นทุกทั้งปวงเช่นนี้ได้บ้างนะครับปุถุชนทั้งหลายเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายก็ปราถนาที่จะเป็นเหมือนกับพระอรหันต์ทั้งหลายเหล่านั้นบ้างที่เรียกว่าเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายเนี่ยนะครับย่อมรักใคร่ต่อต่อพระขีนาสพ ที่ว่าไปเนี่ยครับผู้มีสติมีปัญญารา่าเริงผู้ทรงไว้ซึ่งสริระอันมีในที่สุดนะครับแต่แต่เข้าแปลไงไม่ทราบนะแปลเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอันที่จริงเนี่หมายถึงพระขีนาสพทั้งหมดนะครับนะไม่ไม่ใช่ยกแต่พระพุทธเจ้าอย่างเดียวนะครับแต่อาจจะเชื่อมโยงมาจากที่เขาแปลคาถาธรำบทในพุทธวัตก็ได้นะครับที่ที่ว่าเพราะเนื้อความคล้ายคลึงกันแต่เท่าที่สังเกตพยัญชนะในสูตรนี้หมายถึงพระอรหันต์ทั้งหมดนะครับ แต่ถ้าหากว่าในพุทธวัคเนี่ยหมายเอาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอย่างเดียวนะครับคำว่าสัมพุทธะนี่นะครับไม่ใช่สัมมาสัมพุทธะนะสัมพุทธะเนี่ยเขาว่าตรัสรู้อริยสัจสี่โดยชอบนะครับหมายถึงพระพระอรหันนะหมายถึงพระขี่นาศพนะครับไม่ได้ขับเน้นว่าหมายถึงพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเท่านั้นแต่ก็ถ้าบอกว่าพระพุทธเจ้าก็ถูกแต่ว่าถูกไม่หมดนะครับคือกว้างไม่ไม่พอแต่ถ้าใช้พระขีนาศ พระพุทธเจ้าก็เป็นพระขีนาศพด้วยผ้าหันอื่นๆก็ชื่อว่าพระขีนาศพด้วยนะครับเพราะฉะนั้นควรจะแปลว่าผ้าหั่นนั่นเองนะครับข้อกากเร็จโสรสักก์ก็กิจ16นะครับรกิจ16ในการกำหนดรู้อริยสัจนั่นเองนะครับคือ <PC S 1> คำว่ากิจ16นี่หมายถึงว่ายา น, นที่รู้ในทุกสมูทัยนิโรธมักนะครับโสดาปฏิมักนี่สี่ ในสกะทาคามีม h h aki, marine, ักนี้4อนาคามีมักสีอรหัตมักสีหมายคือว่าตรัสรู้อริยสัจ4ี่พร้อมกัน4ี่ครั้งนะครับอันนนสีรอบนะครับ4ครั้งนะเรียกว่ากิจสิบหกนะครับอันนี้ใช้คำว่าปัญญานะครับมีปัญญาเป็นต้นในอริยสัจนะครับหรือจะมีปริญญาเป็นต้นนะครับคือในขณะเดียวกันนะครับชื่อว่ากําหนดรู้ก็ขณะเดียวกัน ละปริญญาปะหานะละสัชกิริยาที่จริงขณะเดียวกันนะครับของโสดาปฏิมาก็ขณะเดียวกัน4อย่างเลยสกทาคามีมาก็ขณะเดียวกัน4อย่างอนาคามีมาก็ขณะเดียวกันทั้ง4ี่อย่างอรหัตตมกก็ขณะเดียวกันทั้ง4ี่อย่างนั่นนะครับเพราะฉะนั้นเรียกว่ากิจ1ินะครับทำกิจ1ิก็ไม่ต้องกลับมาทำอีกแล้วเพราะเป็นพระอรหันแล้วนะครับ ก็คือมัคสสมังคีก็คืออริยมรรคทั้ง8ปดเนี่ยประชุมพร้อมกันทำกิจอันนี้นะครับทำกิจที่ว่าเนี่ยนะเพราะกิจที่ว่านี้ก็ต้องเป็นกิจของอริยมรรคอย่างเดียว